การผ่อนคลายความเครียดด้วยการหายใจอย่างมีสตินั่งในท่าที่สบายและผ่อนคลายบางคนอาจจะถนัดนั่งขัดสมาธิบางคนอาจจะนั่งบนเก้าอี้บางคนนั่งตัวตรงแต่ไม่เกรง็งหรือบางคนอาจจะนั่งทิงหลังกับพนักเก้าอี้ก็ได้หายใจออกช้ า, ชา หายใจเข้าช้าช้าผ่อนคลายทำอีกสองครั้งหายใจออกช้าช้าหายใจเข้าช้าช้าหายใจออกช้าช้าหายใจเข้าช้าช้าสังเกตความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ให้สำรวจร่างกายว่ามีส่วนใดในร่างกายตึงหรือเกรง็งโดยเริ่มจากบริเวณศีรษะระหว่างคิ้วบริเวณบา่าไหล่บริเวณหลังหากมีส่วนใดตึงหรือเกรง็งให้ทำความผ่อนคลายไล่ลงไปบริเวณบั้นท้ายต้นขาด้านในฝ่าเท้า ทำความผ่อนคลายบริเวณที่ตึงหรือเกรง็งไล่ขึ้นมาบริเวณหน้าขาทั้งสองข้างบริเวณหน้าอกคอทำความผ่อนคลายบริเวณที่ตึงหรือเกรง็งหลังจากนั้นให้กลับมารับรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว ไม่ต้องตั้งใจรับรู้ลมหายใจมากจนเกินไปหากรู้สึกว่าเพ่งจ้องหรือตั้งใจที่จะรับรู้ลมหายใจให้รู้ทันว่ามีความตั้งใจหรือเพ่งจ้องที่ลมหายใจเกิดขึ้นแล้วผ่อนคลาย หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวระหว่างนี้หากมีความคิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดเล็กๆ็กน้อยนอยหรือความคิดที่ทําให้กังวลใจความคิดฟุ้งไปยังเรื่องราวในอดีตฟุ้งไปยังเรื่องราวในอนาคตเพียงแค่รับรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้น แล้วกลับมารับรู้ลมหายใจอีกครั้งหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว คุณสามารถรับรู้ลมหายใจสบายๆโดยไม่จำเป็นต้องเพ่งจ้องหรือตั้งใจที่จะหายใจมากจนเกินไปเพราะหากทำเช่นนั้นอาจจะทำให้คุณเกิดอาการแน่นและมึนบริเวณศีรษะขอให้หายใจสบายๆหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว อีกครั้งหากมีความคิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องของวันนี้หรือเรื่องของวันพรุ่งนี้ขอให้รับรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วกลับมารับรู้ที่ลมหายใจอีกครั้งขอให้ใส่ใจกับลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวสบายสบายและวางความคิดเอาไว้ก่อน บอกตัวเองในใจเบาๆว่าขณะนี้เป็นเวลาของการผ่อนคลายขอวางความคิดทั้งหลายไว้ก่อนกลับมารับรู้ลมหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว ถึงตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าความคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองเราไม่สามารถห้ามหรือควบคุมความคิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องคิดต่อเพราะตอนนี้เป็นเวลาของการผ่อนคลายหายใจออกรู้สึกตัว หายใจเข้ารู้สึกตัวหากเราสังเกตจะเห็นว่าความคิดทั้งหลาย ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับความคิดมีหน้าที่เพียงรับรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วกลับมารับรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึก เรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ต่างก็ได้ผ่านไปแล้วไม่ได้มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วในปัจจุบันนี้ปล่อยสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งหลายให้ผ่านไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกความคาดหวัง หรือความกังวลใจกับเรื่องราวที่ไม่ดีทั้งหลายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตตอนนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นและขณะนี้เป็นเวลาที่เราจะผ่อนคลายวางปัญหาทั้งหลายเอาไว้ก่อนหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึก กลับมารับรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกสัมผัสถึงความผ่อนคลายคุณสามารถผ่อนคลายความเครียดด้วยการหายใจอย่างมีสติได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการเพียงรับรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้า รู้สึกตัวสบายๆโดยมีหลักการง่ายๆคือไม่เพ่งจ้องหรือตั้งใจสังเกตลมหายใจมากจนเกินไปหากมีความตั้งใจมากไปให้รับรู้ว่ากำลังตั้งใจแล้วผ่อนคลายและเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นให้รับรู้เพียงว่ามีความคิดเกิดขึ้น แล้วกลับมารับรู้ลมหายใจขณะนี้ได้เวลาพอสมควรรับรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวสังเกตที่มือทั้งสองข้างกำแล้วเหยียดกำอีกครั้งแล้วเหยียดค่อยๆลืมตาขึ้น หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึก